แนะนำบทอัลอัมบิยะบทนี้เป็นบทมั ก, กิยะมีหนึ่งอสบงองค์การที่ประมวลไว้ด้วยปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการศรัทธาในอิสลามในขอบเขต ท, ที่จำกัดที่สำคัญสำคัญเช่นศาสนาจากพระพุ่นเจ้าความเป็นเด็กภาพการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนบทนี้ได้กล่าวถึงวันอวสานและความโกลาหนของมัน ความน่าสะพรึงกลัวของวันนั้นและได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดานาบีที่ถูกส่งมาบทนี้เริ่มกล่าวถึงการหลงลืมของมนุษย์ต่อวันเกียรมะการสอบสวนและการตอบแทนทั้ ง, ท, งทั้งที่วันกียรมะเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่พวกเขาแต่มนุษย์อยู่ในสภาพที่ไม่นำพาต่อวันนั้นทั้งนี้เพราะความยั่วยวนของการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ทําให้เขาหลงลืมวันแห่งการสอบสวนที่กําลังรอคอยเขาอยู่ ต่อมาได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งๆที่พวกเขาได้พบเห็นการจบชีวิตของประชา ช, ชาติในอดีตแต่พวกเขาก็ไม่ยึดถือเป็นบทเรียนเพื่อใค ร, คร่ครวญจนกระทั่งเมื่อการลงโทษได้มาถึงตัวอย่างกระทนนันหันพวกเขาก็กู่ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ถ้าว่ามันก็สายเกินไปเสียแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆเพื่อเตือนให้ระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้าง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 ทำให้ฝ่ายตรงข้ามยอมสารภาพด้วยความพ่ายแพ้และยอมจำนวนเรื่องราวของนับีอิบรอฮีมเป็นข้อควรคิดและเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีบทนี้ได้เล่าถึงเรื่องราวของบรรดาศาสนาทูตเช่นอิสหกยาคูบลูดนู์ดาวูดสุไลมานอยูบอิสมาอนอิดริดสุลกเฟีซุนนูนแจกริยาและอีซาโดยสังเขป พ, พร้อมกับได้บรรยายถึงเหตุการณ์ ที่น่าตื่นเต้นหวาดกลัวที่เกิดขึ้นก็บรบรด า, าศาสนทูตบทนี้ได้จบลงด้วยการแจ้งถึงการส่งสาศาสนาทูตคนสุดท้ายก็เพื่อความเอ็นดูเมตตาแก่มนุษยชาติชื่อของบทบทอัลอัมบียะถูกเรียกชื่อนี้เพราะอัลลอ์ผู้ทรงสูงส่งทรงกล่าวถึงบรรด า, าศาสดาจำนวนหนึ่งบางครั้งกล่าวถึงโดยสังเขปและบางครั้งกล่าวโดยละเอียดพร้อมกับกล่าวถึงการเสียสละการอดทน และการต่อสู้ในทางของละของบรร ด, ดาศาสดาเหล่านั้นรวมถึงการเสียสละของพวกเขาในการเผยแพร่ศาสนาเพื่อความสันติสุขของมนุษยชาติด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออิรรบนาม เวลาแห่งการสอบสวนมนุษย์ใกล้เข้ามาแล้วโดยที่พวกเขาอยู่ในสภาพหลงหลืมเป็นผู้พินหลังให้ไม่มีข้อตักเตือนใหม่ๆจากพระผู้พิบาลของพวกเขามาอย่างพวกเขา เว้นแต่ว่าพวกเขารับฟังมันและพวกเขาล้อเล่นไปด้วยใจใจของพวกเขาเลื่อนลอย บรรดาผู้ทำต่างกระซิบกระซาบระหว่างกันว่าเขามื่อมัดนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเยี่ยงพวกเจ้าพวกเจ้าจะยอมรับมายากรทั้งๆที่พวกเจ้าเห็นว่ามันเป็นมายากลกระนั้นหรือเขาเมื่อมัดกล่าวว่า พระผู้อภิบาลของฉันทรงรอบรู้ทุกคำพูดทั้งในชั้นฟ้าและพันดินและพรงเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้แต่ถ้าว่าพวกเขากล่าวว่า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 ไม่มีชาวเมืองใดก่อนหน้าพวกเขาพวกบูชาเวิตมักกะซึ่งเราได้ทำลายมันในเมืองนั้นได้ศรัทธาแล้วพวกเขาพวกบูชาเวิตจะศรัทธาการะนั้นหรือ และเราไม่ได้สง่งผู้ใดมาก่อนห้าเจ้านอกจากเป็นเพศชายซึ่งเราประธานองค์การแก่พวกเขาดังนั้นพวกเจ้าชาวมักกาจงถามบรรดาผู้รู้เถิด พวกเจ้้าไม่รูและเราไม่ได้ทำให้พวกเขาบรรดานาบีมีร่างกายที่ไม่ต้องการอาหารเช่นม า, าลิกะและพวกเขาไม่ได้เป็นผู้มีชีวิตยั่งยืนเป็นอมตะ แล้วเราได้ทำสัญญาเป็นที่ประจากแก่พวกเขาและเราได้ให้พวกเขารอดพ้นและผู้ที่เราประสงค์และเราได้ทำลายพู้ละเมิดฝ่าฝืน รเราขอสาบาลว่าแท้จริงเราได้ประทานคำเพี้อัลกุราณลงมาอย่างพวกเจ้าในนั้นมีข้อเตือนสติแก่พวกเจ้าพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาคิดบ้างหลอกหลือว่าเกาสร้างขนากหมู่นที่เนผู้กระทำผิดและสร้างขึ้นจากหมู้านที่เนผู้กรีท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 และเราไม่ได้สร้างฟ้าและแผ่นบินตลอดจนสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองอย่างไรประโยชน์หากเราปราถนาที่จะเอาเป็นเครื่องเล่น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 พวกเขาจะไม่ลำพองตอนในการเคารพพักดีต่อพระองค์และพวกเขาจะไม่เบื่อหน่ายพวกเขาจะแท่ซองสะดุดีพระองค์ทั้งในเวลากลางคืนและกลางวันโดยไม่ขาดระยะพวกเขจะแท้อาละุะทันลอกลาิคุมยันชิระน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 นอกจากอัลลอฮ์แล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างแน่นอนอันลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งบัลังทรงมหาบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาเสกสรรปั้นแต่งขึ้นพระองจะไม่ทรงถูกสอบสวนในสิ่งที่พระองทรงปฏิบัติเขาต่าหากที่จะถูกสอบสวนพระองค์จะไม่ทรงถูกสอบสวนในสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติเขาตาหากที่จะถูกสอบสวน พวกเขาได้ยึดถือเอาบรรดาพระเจ้านอกจากพระองค์กระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าขอให้พวกเจ้านําหลักฐานของพวกเจ้ามานี่คือคัมภีร์ที่อยู่กับฉันคืออันกุราดและคัมภีร์ที่มีอยู่ก่อนหน้าฉันคือเตารอดและอินยินแต่ถ้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริงพวกเขาจึงผิดหลังให้วาอออรสนิกบู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 ى ي ละบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้น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 บรรดาศาสนาทูตก่อนหน้าเจ้าได้เคยถูกเยอยหยันมาแล้วแล้วการลงโทษได้ประสบแก่บรรดาผู้ที่เยอยหยันต่อบรรดาศาสนาทูตในสิ่งที่พวกเขาได้เยอยหยันอินจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด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 เราได้มายังแผ่นดินเพื่อทำให้มันคับแคบลงจากขอบเขตของมันแล้วพวกเขาจะเป็นผู้ชนะอีกหรืออออจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ว่าแท้จริงฉันเพียงตักเตือนพวกเจ้าด้วยองค์การจากพระพูดเป็นเจ้าเท่านั้นถ้าคนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเรียกร้องเมื่อพวกเขาถูกตักเตือนว่ละอิมมสสทฮมนศษธุมมินอด people, นาบรับบิคละยะกูลุละยะกูลุนนยาวัยลนาอินนาคนนา ظالم ีน